ซีดีวิธีปฏิบัติธรรมโดยหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชแสดงธรรมที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสวนสันติธรรมสีราชา13กรกฎาคมพุทธศักราช2549พระผู้รู้ที่สอนการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยภาษาทันสมัยเข้าใจง่ายลึกซึ้ง ปฏิบัติตามได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเรียนอยู่จะทำงานอาชีพหรือเพศอะไรจะอยู่ในสถานะไหนก็ทำได้เชิญทดลองพิสูจน์กับแนวทางการดูจิตดูกายการปฏิบัติธรรมที่แสนจะเรียบง่ายแต่ได้ผลจริงและคุณจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคืออะไร ทดลองฟังเสียงหลวงพ่อแสดงธรรมฟังซ้ำไปซ้ำมาจนเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติฟังไปเรื่อยๆลองทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องหวังผลไม่ต้องเครียดถ้าลองฟังซ้ําไปซ้ามาเรื่อยๆแล้วลองทําตามเพียงไม่นานคุณจะพบความมหัศจรรย์ทางจิตที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือและเสียงเทศนาธรรมได้ฟรีอีกมากมายที่เว็บไซต์ j o จโฉ .net j o h o n e t หรือพิมพ์คำว่ารวมเสียงธรรมที่ช่องเสิร์ชได้เลยนะครับสภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเจริญในธรรมทุกท่านนะครับ